เป็นพระที่ดีมากชาวบ้านชอบมากาพระพุทเจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วจิเลสไม่มีใช่ไหมใครอยากจะฟังเทศต่อเทศก็ฟังใครอยากจะคุยธรรมะเพื่อความเข้าใจก็คุยหฟังทุกอย่างเป็นที่รบแต่ว่าไปที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือส่วนหนึ่งคือท่านมีอายุน้อยตายเร็วมีความสุขดีไม่ อ้ามันอยู่ก็ปวดทั้งขี้ปวดท้งเยียวยู่ข้าตายไปนิพพานไม่อยู่เข้าอ่ะแต่ันก็ปวดแบบแรง <c oughs> อ่ะอายุได้ไม่นานเท่าไรอยู่วันปีจะเสด็จท่ยงก็นิพพานเมื่อท่านนิพพานชาวบ้านเขาทำการชาวเนากิคือเผาศพเผาศพแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกไว้ไปที่ส ก, การะขเขาต่อมาพราหมณผู้เป็นพ่อพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็คือพระพุทธเจ้าของเราเอง ไม่ใช่ใครพระเจ้าเนี่ยดิเกงมีลูกเป็นเพื่อเจพระเจ้าเยอะแต่พระองค์ยังไม่ได้เป็นแบบฉันเนี่ยยกทรงมีลูกแต่หลายคนนี้ยังไม่มีลูกเลยก็เป็นนะว่าพ่อมีความคิดเสียงลูกาหายไปไหนก็ไปถามพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนถามว่าลูกของฉันไปไหนพราหมณ์ก็บอกว่าเขาเรียนเน่นหน่อยเดียวเขาจบจะให้เป็นครู เธอต้องการความรู้ยิ่งไปกว่า น, นั้นฉันก็ไปฝ่าพระบาเจพระเจ้ญญาที่พวกเขาคันธามาดท่านพ่อก็ตามไม่ที่วกเขาคันธามาก็ไปพบ พ, พระเจพระเจ้ญญาที่เป็นครูสอนท่านบอกเขาเรียนกัฉันไม่นานก็ จ, จบหลักสูตรแต่มีความขยันหมั่นเพียรมากเป็นกําลังใจดีเขาขอแยกไปปฏิบัติตนในที่สงัดที่หมู่บ้านนอนพรามผู้เป็นพ่อก็ตามไปอีก มาตามไปแล้วไปถามคนแนถ่นั้นรูจ้จักพระประเจย์พระเจ้าชื่อนี้ไหมเขาบอกว่ารู้จักคนแถวนี้เคารพพระบาเจย์พระเจ้าองค์นี้ทุกออกทุกคนถามว่าเวลานี้ท่านอยู่ใดเขาบอกท่านนิพพานไปแล้วท่านพ่อก็เสียใจสลดใจอยากจะพบลูกไม่พบใช่ไหมถ้าถามว่านิพพานไปแล้วเวลานี้กระดูกไว้ที่ไหนเขาบอกว่าไว้จุไวาที่เจดีย์อันนั้น ท่า น, นไปที่เจดีทางความเคารพที่พ่อไหวลูกไหเคารพกราบตูวกระดกกระดกกระดกอย่างยกทรงกราบไนะงทำความเคารพก็คิดว่าเวลานี้ลูกเป็นพระพเจพระเจ้ามีบุญใหญ่แล้วจะทําบุญอะไรไอ้เราก็เดินทางมาอย่างนี้ไม่มีการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรคนสุขเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ไปเอาทรายมาโรยพื้นที่ข้างๆจะดีรอบจะดีนะเกลียรยให้เรียบราบเไหมหเรียบให้ไปทางเดินดีๆนะคนไปคนมาเวลาที่เขาจะเดินมานูชาเขาจะเดินสดสะดวก ๆ, ๆไม่ไม่โขมไม่เค็ไม่เป็นหัวละแหงนแล้วก็รายการที่สองไปเอาไอ้พันุต้นไม้ในป่าถ้ามันมีดอก มาปลูกรอบๆข้างๆทางประการที่สองนะประการที่สามไต่ขึ้นไปบนยอดเจดีมีของดีมามีคือมีผ้าขม้าผูกเป็นธงเพราะมันมีเทานั้นไม่แก่ผ้าบนตัวแล้วนี้เบียวมานะถ้าไม่มีขมาก็จะแก้ผ้า ท, ทําธงก็ได้และก็ประการที่สี่ต่อไปก็เอาร่มที่ก้างมาผูกไว้บนยอดเจดี สมเด็จวจินาศีรบรมศาสดาสัมม า, าทัพเจ้าตรัสว่าพิกขเวตัวก่อนมีทุตงหลายอานิสงส์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในการนี้ไปไปนอานิสงส์ครั้งนั้นไม่ใช่อานิสงส์ที่จะถา่ายทบรรลุเปเียสัมษษษสมาทัมโพธิญาณคือหนึ่งการเอาทรายเข้ามาเกลียพื้นที่รอบๆ อ, บอบย่างดีให้เป็นทางเดินรอบๆอบย่างดีเป็นที่ราบเรียบสำหรับคนผู้เดินทาง จิงปรากฏเป็นถนนใหญ่ขนาดพระนับแสงข้ามไปได้บบสบายทายําบกว้างมากในประการที่สองการที่นำต้นไม้ในป่าที่มีดอกมามรูกข้างทางก็เป็นเหตุให้มีต้นไม้ทิพย์สองข้างทางสวยสดงงามมากและก็ประการที่สามที่จะทาคตนำผ้าทำเป็นธงอาคมา โอยอดเจดีจึงมีเทวดาถือทองเรียงรายตลอดสายถนนได้วเวลาในสีก็เพราะอาศัยที่เอาร่มที่มีมาผูกโอยอดเจดีย์ก็งเงาร่มยังมียังมีพรมกลางร่มให้กับตถาคตและพระทั้งหมดอันนี้แหละบรรดาท่านพุธบริษัทอันนี้สงเล็กน้อยที่อย่าเพิ่งทําก็จงอย่าคิดว่าทุกคนมีบุญ น, น้อย วันนี้ทุกคนมีบุญใหญ่ตั้งใจครบรอบองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัจดณาสัมมาธรมพุธเจ้าส่วนมากก็เป็นคนมาเจ้าที่ไกลตั้งใจมาโดยเฉพาะเวลการประมาธรรมรงท่านก็มีสงไรอย่างหนึ่งสตั้งใจสมาทานศีลเล่นละว่ากันวันนี้วันมาวันมาคานี่พระเจ้าทรงสอนเรื่องธรรมเติมธรรมะอย่ขั้นสูงใช่ไหม การตั้งใจสมาธิท่านเป็นสิมีศีล า, า, านุติกามฐานเป็นสมาธิเพราะเวลาเนี่ยทุกคนมีมีสมาธิในศิ่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งแปแต่ศิ่งแปดี่ถ้าสาไม่ได้ตลอดวันก็ไม่เป็นไรถึงเวลาหลังเที่ยงใหม่ๆหลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวได้เาล่อว้จะแค่สิ 5, ่งห้าพอสิ 8, ่งแปดต้องไปในสองชิ้นป กินข้าวแ ล, วล ะ, ละรักษารักษาชิ้นห้าก็เลยจะส้นหา้าวันทั้งวันนะแค่ไม่ขาดชีเลนะสุกติเงยียติพระเจ้ากลว่าการปฏิบัติศีลไม่เหตุให้มีความสุขต้นชาตินี้จะไปสวรรค์ได้ชีเลนะโพก็สัมมาชัยนันหน่อยทีการปฏิบัติศีลนั้นมีความสุขในรนาภยศในในในทรัพย์ศีลต่อไปมัน ก, ก็รำ่ำรวยมาก ชียแรงนทิศลิบทุกทิศติงยันติสินเป็นปัจจัยปัญผ่านได้โดยง่ายวันนี้ความดีของท่านอย่าลืมมาว่าทุกคนเวลาชาลสาวโบสุตสินถ้ามันมีความจำเป็นจริงจริงตอนใบอดข้าวไม่ได้ก็ไม่ต้องลาสินแปดตั้งใจรักษาสินส้นห้าชินแปดอย่างของโตจะมีอานิสงส์ชิ้นห้าก็ได้อานิสงส์ต่อไป แล้วก็ริการนี้สองทุกคนมาถวายสังฆทานเป็นโต๊ะแล้วก็ถวายอาหารพระก็เป็นสังฆทานใหญ่การถวายสังฆทานในบรรดาเทพุตธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ที่จะพึงได้จากสังฆทานจริงๆอย่างต่มเป็นเทวดารละนางฟ้าชั้นที่ห้านะไม่ใช่เช่นดาวดึง เขาเรียกว่าชั้นนิมมาราดีมีความสวยสดวดงามมากมีวิมานใหญ่ไม่ร่างกายสวยเมืรอสมีกายสว่างสวัยมากแต่ส่วนใหญ่ที่ไปดาวดึงก็เพราะว่าต้องรู้จักดาวดึงตั้งใจแวะก่อนใช่อันนี้สงทายของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังฆท า, านท่านถวายแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว ขึ้นจ่้ว่าความยากจนเขินใจของท่านจะไม่มีถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดแดนใดที่มีความอดมสมบูรณ์ผลสุขจะเกิดที่นั่นที่ไหนมีความยากแค้นจะไม่เกิดที่นั่นจึงกว่าจะเข้าถึงนิพพานและบรนการนี้สามทุกคนตั้งใจฟังพระธรรมเทศธนาเป็นคําสั่งสอนก็องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การฟังว่าธรรมเทศนานี่เป็นกรรมฐานการนึกถึงการให้ทานก็เป็นกรรมฐานแม่งการวันนี้ว่าเป็นกรรมฐานการตั้งใจว่าจะมาถวายทานกับพระสงฆ์เป็นจารคานุสติกรรมฐานเป็นฌานแล้วนะการตั้งใจรักษาศีลว่าจะใช้เวลาในน้อยก็เป็นฌานการตั้งใจถวายทานเป็นจารคานุสติกกรรฐานก็เป็นฌาน และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการถาวายทานเป็นทานนบารรมีแล้วนอกจากนี้อา น, นิสงส์ที่บรรดาทางพุทธบริษัทจะพึ่งได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลานิทิวัดท่าส่งเทพื้นคอนกรีตเห็นไหมพื้นทางเดินนี่เป็นคอนกรีตเดี๋ยวไปดูที่หน้าวิหาร100ร้อยเมตรเกือบจะเต็มแล้ว แล้วก็ไปดูที่ยี่ห้าไร่ก็เกือบจะเต็มแล้วพื้นคอนกรีตนี่ก็ใช้เงินนิดๆหน่อยไม่มากเงินลยน้อยนะไม่แพงนะก็ตาตรางเม็ดกะหนึ่งร้อยบาทเอาแค่เม็ดนะถ้าใครสร้างเม็ดเดียวชาติหน้าก็มีบ้านทาวสาคภูมิก็ก็จะมีมากก็แกมีเม็ดเดียว่ะ ตั้งตเสาเสาเดียวแล้วก็มีบันไดลงไม่ได้เลยพื้นที่ต้องต้เสาลง <c oughs> ตาตารางเมตรละร้อยบาทแต่ลงทุนเต็มพื้นที่พื้นแรกจุดเดียวเฉพาะที่25้าไร่กับที่วิหารรอยเมตรก็มีที่เทใหม่จริงๆประมาณ4ี่สิไร่ ตาที่มาทั้งหมดจริงๆมห้าสิบไร่กว่าก็เทกันมาแล้วก่อนก็มีทุนแล้ว OVER ทั้งหมดสองล้านเส็จเศษตบแล้วก่อนที่ซอยไสลลมมาทำบุญกันมา1 1ึ0ง1มืรเจสรรวมแล้วนะรวมทั้งที่ทำาก่าวทำใหม่ด้วย แต่ทุนที่จะสร้างจริงๆก็หรุ่นแรกจะหล้าน4ี่แสนบาทฉันก็เก็บเงินเงินเหลือจะเดินก่อนสองล้านบาทเงินเหลือจะเดินนี่รน000 000ประมาณห้าหกแสนบาทผสมใส่เข้า <c oughs> ตัวลความว่ายัางเป็นนี่ประมาณสล้านเศษเศษนิดหน่อยลกสังชั้นรวยเดี๋ยวนคนนั่งมั่งคนนี้มั่งใช่ไหม ก็เป็นว่าทําพื้นที่อย่างนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าทําให้แก่พระกริย์พระพุทธเจ้า <c oughs> แต่นั่นท่านทำด้วยความเป็นคนจนแต่ทอนะ ก, ก็ไม่น่าจะจนนักแต่แต่ว่าเป็นคนเดินทางเอาทรายเข้ามาเคลียใช่ไหมให้เป็นทางเดินแต่นี้จะทําทดีกว่านั้น ก, ก็เป็นคอนกรีตพอเราเป็นลูกถึงทำดีกับพ่อต่อไปอภิชาติบท เพราะเรามีเวลาทําทุนถ้าถามว่าการตัดสินใจตัดสินใจเมื่อไร่ฉันจะตัดสินใจมานานแล้วฉันมองมาหลายปี <c oughs> ว่าพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดอย่างหน้าวิหารเนี่ยก็มีคนมาแนะนําบอกคนจะทําให้สนามหญ้ามันจะสวยสดงดงาม <c oughs> ฉันก็เอาสนามหญ้าฉันก็เอาจะทําแบบนั้นแบบนี้ฉันก็เอาฉันชอบ เขาทำสวยๆยดอกไม้ประดับประดาเอาหญ้ามาปูใช่ไหมพอถึงเวลาจะทำเสร็จพระพุทธเจ้าอมัทโมธมาแตงคุมโยถ้าบอกแกจะเอาไงก็เอาฉันไม่ว่าแกแต่ฉันจะเอายี้นี่เขาแกจะทำสนามหญ้าแกก็ทำไปแะปลูกดอกไม้แกก็ปลูกไปแต่ฉันจะเทพืชส้นกต เออการทำสนามหญ้าน้ามันสวยแต่ว่าที่จอดรถไม่ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองสนามหญ้าต้องใช้เงินทุกวันรถน้ำก็ต้องจ้างคนขน้ำขึ้นมาก็ใช้กระแสะไฟฟ้าเคลื่อนจากคนกับสิกรลอเอาเงินเขาไวบ้บะชาบ้านไว้ผลมทลายทำไมก็ดาวเลยสบายมากถ้าไม่เด้ดาจะพูดถึงฟัง พอถ้าเป็นด่าให้เป็นด่ายกทรงไปนะถ้าบอกเป็นการไม่สมควรเอาอย่างนี้เทพื้นคอนกรีตให้หมดแล้วแบ่งจุดด้วยเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนๆปลูกต้นไม้เป็นจุดๆใช่ไหมรถมาจอดก็จอดง่ายเดินก็เดินสะดวกฮูก็ไม่กัดฮู้มาก็เหงื่ง่ายนี่เป็นความสงคขเจ้านะแล้วเธอบอกอะไรสง์ต่อไปเธอก็ดูอะไรสง์ของฉัน สมัยที่ฉันบูชาพระประเจ้าเจ้จาอันนายแค่เอาทรายมาโรยให้ที่ราบเรียบอันนั้นทรายมาเยัเรียบเรียบไม่เท่ากับพื้นพื้นของกรีฉะนั้นท่านก็นเลยย้อนถามมาบอกสมัยส่วนก่อนของเธอย้อนดูไปทีเกิดมากี่ชาติทําอะไรบ้างโอ้จริงๆไอ้พื้นในฉันทำทุกทุกชาติถนนทำทุกชาติอาคารทำทุกชาติใช่ไหม ชาตินี้ที่มีบ้านเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยที่อยู่เขานะมีหน้าที่แค่สองไร่บ้านสองรยไร่บ้านเต็มหมดเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆแต่บ่อนี้อันนี้สงเก่าของเธอเพราะก็ฉันช่วยท่านช่วยโดยเนี่ยฉันต้องการลื้อฟื้นของเก่าของเธอให้มารวมตัวกันทั้งนี้พ่อะอะไรพ่อลูกมากหลานมากไอ้ลูกไอ้หลานทุกคนมาเกิดติดตามกันมาทุกชาติเลย ประทชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เอก็ให้เป็นชาติสุดท้ายของมันซะด้วยไม่ไปโดยการอดตายเราคนแก่ใช่ไหและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพื้นประเภทนี้เป็นความสุขที่ให้ใหความสุขแก่คนทุกคนที่มาถ้าเราให้ความสุขกับเขาความสุขมันก็ถึงเรา ว่าโดยเฉพาะจะยิ่งขึ้นที่ความตกต่ำุดตัวลงจะไม่มีสำหรับคนสร้างพื้นพอพื้นมันหนักใช่ไหมบุญใหญ่จริงๆเขาต้องเดินทุกวันะ่ะโกติเนี่ยมันนานขึ้นทีเวลาจะนอนพื้นต้องใช้แต่พื้นที่ทำที่25หไล่กับที่ร้อยเมตรยังไม่พอที่รับแขกให้ทำอีกค่อยๆทำไปถามว่าเงินที่ไหนบาาเงินไดก็ตามถ้ามันเหลือทาไปเลย ถ้าว่าถ้าทำยังไม่เหลือถ้า ไ, ไม่เหลือไปนี่แกไปนี่เขาก่อนก็ต้องนี้ทำไมเขาไม่ได้ทำก็ทํำเรื่อยๆมาจนทั้งหมดเงินไปหลายล้านแล้เชิญจะบอกบนนะเขาจะบอกให้ทราบก็ลงความว่าวันนี้บรรดาทัานพุทธบริษัทก็ทราบในสงหลายอย่างแล้วนะเฮือนเทศมาเทศไปพระกินข้าแวแล้วไม่หิวพระโยมยังไม่ได้กินใครหิวข้ามายกมือที ยกเลยที่ถ้าหิวเยอะเทศต่อไปทำไมอ้าวเอ า, เอ า, เอานี่ฉันรู้สิษย์หพอโตอย่างยังไม่หิวอ่ะไม่หิวทษเทศต่อไปหน่อยอีตอนนี้ไม่เทศเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้เขาไปฟังถนัด น, นักก็สมัยหลวงพ่อโตสมเด็จพระธาจาร์โตท่านเป็นพระราชานะไม่เรียงลำดับ ฉันเป็นพระราชาคณะชั้นต้นสามัญเลื่อนไม่ทีเป็นยันเทพเลื่อนไม่ทีเป็นสมเด็จไม่ได้ข้ามมุดมาถ้าข้ามเดี๋วกจากขาก็้วตกลนตายทั้งนี้เพราะอะไรว่าสมเด็จพ่อตอไอหนูหิวข้ามไม่รู้เอ้ยข้าไม่หิวไม่อยู่ ไม่หิวแต่บันเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวใครมันยกมือหิวมาเทศไม่จบอะตามธรรมดาต้องเทศให้คนมีความสุขใจใครยังมีความทุกข์ลำบากอยู่เทศอยู่นั่นถ้ายิ่งหิวยิ่งเทศเทศผ่หายหิวไม่ได้นี่วันนี้ขาขาเดินไม่ได้ไปข้างนะฉันนะต้องนั่งรถต้องนั่งรถะ สรงพระเจ็บขามาเจ็บหมาเฉยไม่รู้มันเป็นยังไงอยู่ๆกลับมาจากซอยสุโกมัเจ็บเดินไม่ได้หลับติดนะอ๋อไปเพราะพื้นมันไม่เต็มเออใช่ๆช่ใชต้องรีบเท พ, พื้นให้เต็มนะทุกคนนะไม่งั้นจะไปอีกข้าวยางบังบก็จะต้องแบกลนะแล้วได้เรียนกันนี้ว่าห้าโมง อย่าเล่เรื่องพ่อตให้ฟังเอาไหมเอาเอาไหมเอาคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเอกฉันใครใหญ่จะฟังเยอะเพิ่มขึ้นเออใช่ได้เป็นเอกฉันหลวงพ่อโตท่านเป็นสมเด็จแต่ความจริงหลวพ่อโตจริงๆริะท่านเป็นลูกรอดหนึ่งจริงจริงไม่เชื่อไปถามรอดหนึ่งดู ที่จะพานพูดที่เคยเคยทัาท่านแล้วนะท่านยอมรับว่าใช่ก็จะนิ่งนิ่งนิ่งรับโดยการสุดในภาพแบบพระพุทธเจ้าไว้หล้พระเจ้าแต่ใครเขาจะมนท่าเฉยถ้าเฉยแสดงมารับคือว่าเรื่องมาอย่างนี้สมัยนั้นพระเจ้าตักสินยกทัพไปทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหกับทิศเหนะือ ก็ไปเฝ้สเกตทัพพม่าจะเข้ามารอ น, นึงก็ไปวางแนวทหารไว้อี่วันหนึ่งก็ออกไปตรวจแนวทหารเอาไปตรวจแนวท ห, หารก็ไปเจาะกระถ่มกับถ่มหนึ่งให้จังหหให้หนีโยมให้จังเข้ามาเช่น น, นึกว่าลูกหนี ก็ฝ่ไม่ได้เดไลเนี่ยเินๆดไมเขาเใครๆเขาเดิฟังสบายๆคือคือว่าท่านก็ไปดูทหารไปตรวจแนวก็กลับมาก็ยองยองไว้เจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งอยู่กลางนาแต่ปรากฏพระราชวิดาและพระแม่เขาสาวไม่อยู่รูปร่างหน้าตาดี ก็ย่องไปตรงติ๋งตุงติ๋งตุงติ๋งใช่ไหมนี่ก็ไปแล้าเป็นที่พอใจกันพ่อแม่เข้ามาเขาเห็นว่าเป็นแม่ทัพใหญ่เขาเลยเรี้ยงลูกสาวให้เมื่อขนาดที่ขัดตาทัพกันอยู่ที่นั่นครับรายกฏว่าเขาไม่นานนักนะก็เป็นปีนะเป็นทั้ว่าลูกก็เกิดเกิดพระครันตั้งครนตั้งโคตขึ้นมา ตอนที่ยกเท่ากลับก็เอาผ้าคาดเอวจังเต็มยศอให้ไว้ว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วก็ส่งลูกเข้ากรุงเทพเอาผ้าคาดเอวนี่ไปด้วยผ้าคาดเอวถึงยศเห็นไหมให้รไว เ, เ, เ, เลยเป็นเป็นสัญลักษณ์นี่เป็ น, ป น, ป น, ปนอาวาต่อมาภายหลังท่านท่านเกิดขึ้นมาบทเน้นบทอัตรว่าเลยไปก็เข้ากรุงเทพก็เป็นเน้น เ ข, เขามีผ้าขาดเอวตีกันไปเขาก็ขาจว่าเวลานั้นรอดนึงสัมมานแล้วซอสเข้ามานี่ซอสตายไปแล้วแต่ว่าปนนพพระเนรอยู่พลแสดงผ้าขาดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอหนึ่งแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเครคาะห์เขามันรับไม่ได้ว่าไม่เป็นโหดชติใช่ไหม ก็ต่อมาต่อมาก็บทพระกับเรียนจบพระใจวิสดกพระใจวิสกแตกฉันมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปเมิทายานดีเขาจบพระใจพิสดอย่างเดียวมันยั ง, งโง่บัดซบอยู่คนะ่ะเชื้อกระดาษแต่ว่าไม่จบพระใจพิสดอย่างเดียวเป็นไปนเปมิทายานแตกฉันมากเวลานั้นรอสีก็บทก็โต้ก็ร อ, อสีที่เจ้าจันรอสีก็ทราบว่าวปเป็นเจ้า จิงว่าถือไปกันเองต่อมาเมื่อเมืม่อรอสี่บวชแล้วก็สิกออกมาเป็นกษัตริย์รอสีก็ตั้งให้ของโคโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วในมนฑเข้ามาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็ไผยสดชอบใจ ก, ก็ตั้งเป็นพระราชาณนะเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลยเลก็ศิษย์ใช่ใช่ เลื่อนไปเทศหน่อยเดียวไม่ช o, ้าก็เลื่อนไปสมเด็จพุทธาจารย์โตโตไม่ใช่เล็กก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาแว่งกันอยู่บ่อยๆก็ราสีนี่ก็คอก็นี่ก็ต้องใส่เป็นละอยู่นะเข้าไปเทศในวังอีกข้อหนึ่งเทศยังไรก็ไปโลกประเทศเรื่องประวัติสายความเป็นมาเขาไ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นอย่นะ ถ้าไอ้ไอพี่ไอพี่น้องเป็นเมียตอนเรียกว่าไปว่ามานะเกิดขึ้มาเพราลกข่อเดียวแม่เดียวการไอ้พี่ใช้ก่อนน้องมาเป็นเมียไอ้ไปมาเมื่อหลดหลดมันก็ลามมาถึงก็ไอกษัตริย์สมัยรัชกาลศินเนี่ยถึงกรุงเทพรอสีกรดสั่งถอดเจ้าสมเด็จอันนี้สัง่งถอดเลยถอดจบเลยถอดก็ไม่เป็นไร พอังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในข่าวคณะสีมาไปไงถ้าเป็นเจ้าคุณาจจราชเอกมัญยานก็ตายหาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไปทไหนนะถ้าอนก็นลุกมาขับก็บไปมบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านของเราเน่โอ้ยเบงไม่ใช่ไม่ใช่ย่อท้อเถียงกัน คอดังคนดังโกรธกันแล้วนี่โกรแล้วมาไล่กันไปไปนอนในโบสถ์วัดพระแก้วโบสถ์พระเจดถ้าเป็นสัก็หงยแกไปแล้วเจดไม่มีทางไปไหนพระเจ้าอยู่หัวสั่งให้เจ้านัา ง, งามไปไล่เจ้าวัดพระกแกะแ้วท่านบอกเฮ้ยนี่มาที่วัดว้ยไม่ไที่เจที่หัวนี่หัวไม่มีสิทธิที่วัดวะ ที่เขาสงเราถึงเวลาเพรานอนนั้นถึงถึงบ่ายพวดถึงขี้าาัึงเ ย, ยี่ยของเราไม่รู้ถ้าปวดขี้ในกุ้งตุ้งเยี่ยวนในนั้นเนี่ยพอยถึงตอนบ่า ย, ายที่หัวก็สั่งเจ้าหน้าที่ไปเ้าบอกว่าเอาเนี้แล้วกันอ น, นุญาตให้หัวโตเข้าขอบคันธศีมาได้เขา อ, ออกจากพวกบทขึข้นแกวเดินท่อมท่อ ม, อม่อมมาที่ธาตุทิธาประจันไหมจะข้ามฝาก ยายหัวก็สั่งให้เป็นนักงานอาพัดสมเด็จมาถวายถามทาไมเพอาะยหัวสั่งพัดสมเด็จถวายบอเคยไม่ได้รับไปได้ไอหาใครเขาตั้งสมเด็จการถนนวะมีหรือเปล่ากั้งสมเด็จการถนนทุนทางไม่เอไปไีห้หัวมึงไม่ได้เรื่องมีอย่างนี้เชียวอะไรดูถูกกันนี<แ>่หว่าตาแหน่งสมเด็จตำแหน่งเล็กน้อยเลย เจ้านาที่ก็กลับทัานเินข้ามฝากมาเจ้ระจ่างเจ้าจ้างมันเจ้าไม่ทันใจลุงเจ้าระจ่างเองกูเลยเป็นสมเด็จที่ทำอะไรก็ได้ะเวลานี้ไม่เป็สมเด็จจะไไอ้คนเจาไม่ต้องเจาไม่ต้อเจาเองเจาไม่ทันใจก็เจาเองเจ้าระจ่างข้ามฝากต่อมาสมเด็จก็ต้องเสียของใหม่ดิถึงวันวันเวลาก็มีมลกำบันยังตั้งสมเด็จต้องเสียพัด ถวายพัะถวายภ้าไกลถวายตะต่ใหม่เสียท่าได้ต่อมาขอเล่าเรื่องที่มันไม่จบแล้เรื่องที่ดเดียตายหมดเนีันวันนี้ฉันไม่จบ เ, เรื่องนื้อ <c oughs> <c oughs> ก็ขอสรุปข่้นสุดท้ายวันหนึ่งพระชายาเมียโต บ, บ้านเ่งเมียเมียเมียดัเสืงเรื่องชายาร่งไห อย่วยหัวัจจุบันน่บอกสมเด็จพระจินีก็คือเมียน่เคยคุยกันนะเคยคุยก็คือเมียเ่นเราเลรินีพระรพินีเขาปดหัวตอนนี้ก็คือเมียน่เมียลงเนี่อ้คุณสองคนไปคนละเรื่องเ่ไปคนละเรื่องครับที่คุณเห็น ไอ้ตอนหนึ่งเมียกำลังท้องแก่ไม่สมอเขาจะออกวันนั้นก็เป็นวันตอนพอดีวันพระที่สุเดตโตจะไปเทศเร่องรอสี่ท่านก็หนักใจว่าลูกมันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างไม่ไปไงบ้างรุ่นไปไงบ้างมห็นไหมก็คิดก็บอกสุเดตโตบอยทราบบอกว่าเ น, นี่ยเมียจะออกลูกเมีเมียเมียเมียจะออกลูกก็ขอเทศนน้อยหน่อยนะให้สบายสบายใจ ท่านของเด็ดโตจนเอาเทศเลยไปเทศเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวโม่ของรถซึกมันก็ขึ้นเลยลูกออกมากทุกข์ก็ขึ้นใช่ไหมตึงตังของครามแล้วก็เพล่งใสก็ขึ้นพระรอสีก็แตงกับสับปะสายอยากจะรู้แม่มันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงใช่ไหมพระเด็ดโตก็เทศเลยไม่จบก็ลูกไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระมาก่อนรอสี พระพุทธเจ้าบอกทำโมฆะลูคกาตัดโพพระพุทธเจ้ายังเคารพในพระธรรมตอนนี้ตัวท่านเองมันเคารพพระธรรมยังไงขนาดเป็นนักปราชญ์มาก่อนคส่นก็แต่ก็ตงเทศเลยไปรอก็ไม่สบายใจทั้งเทศเลยไปร่าเซี่เจอนานที่สุดนาน้งท่ากสัชิดใจเป็นไงก็ทราก่อนนะว่ามันจะตายหรือไม่ตายถ้ามันจะตายเราก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหตั้งใจฟังเทศโคตัว พอเริ่มจิตเป็นสุขก็ตัดสินใจได้ไงตั้งใจเสีสมเด็จตก็เอวังก็มีหรืออะสียอพอจิตเป็นสุขให้ก็ไม่ว่าอะไรเสียวรับแรกลับไหตอนนี้มาอีกวันหนึ่งถ้าไเทก็กลับแต่แาับใ่ตอนนี้มาอีกวันรหนึ่งถ้าไม่เที่วถึง้าไปตั้งใจว่าวันนี้ลูกก็สบายแม่สบายทุกอย่างโคลงหมดงานงานปองหมใช่ วันนี้ตั้งใจฟังเทศลัวโคตัวให้มีความสุขหน่อยจะฟังสบายพอโตขึ้นไปก็พอเขาอรักษาสิเนเจตนะโมตัตระตัวโตวหาโตสัมมาสัมพุทธสัจจบใช่ไหมอะไรอะไรประมหาหกพิก ร, รสุขศาสตร์อยู่แล้วเอวังของมีดูดังละสิ <laughs> ่งฟุตโต วันนี้ตั้งใจอย่าฟังเทศสบายเสีองเทศไมเทศจะแล้วหมวไว้ตอนใ น, นลูกมันก็อย่ออกแล้วก็ห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งลูกแต่บันเทศไม่จบ <laughs> แล้วก็จิตใจไม่เป็นสุขเธอบอกว่าพระเทศเขาต้องเทศให้คนมีความสุขในขณะที่จิตยังไม่มีความสุขก็ต้องเทศให้มีความสุขให้ได้แต่วันนี้มีความสุขอยู่แล้วเทศอะไรกัน โอ้โหกันเองนั่น <laughs> ตอนั่งเยี่ยวเยี่ยวแตกในหวังยังมีใช่คนเด็ดเนี่ยเหรอใช่นี่จะฟังไปสักกี่โมง <laughs> มันมีเยอะเลเนี่ยมั น, นจะมีแรงมา <Yeah. laughs> อีกวันหนึ่งกําลังนั่งนั่งเทกําลังนั่งใส่ข้าวอยู่พอจะยะถาซาพีสมเด็จเยี่ยวแตกราดพื้นมาหลายนองเลย พระเจ้อยหัวจะบอกโคตรใบเยียวแตกวะมันยังไม่ถึงเวลาลุกเลยมันยังไม่ถึงเวลาลุกมันไปไงจะถาสียังไม่ได้ทาสีไอ้ขี้เยี่ยวใครห้ามไดอ่ะโอ้โหคนในวางถุงหวยก็สะบัดเลยใบยหวยสมัยก็โอ้โหถูกกันจมเลย ไม่หวยแบบดีก็กลับมาลงเรือมีเรื่องอีกแล้วมีวันหนึ่งประเทศอยู่เหมือนกันพอพอลงเรือจะเาฝากไอ้ผัวเมียไข่คนเท้าวะเลาะ ก, กันอีกไอ้ผัว ก, ก็ดา่าเมียเมียก็ดา่าผัวแต่พรมเต็มลำใช่ไหมปามตีก็ไม่ได้สองคนอะให้ข้ามมาพระมาตีก็ไม่ได้ไาาไไดท่านอะแวะขับไปไทยนู้ทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรโจทย์จริงจั ทะเลา เ, าาเาขาบอกลาขายของเรื่องขายของมีขายของผิดราคาอาจจะขายถูกไปไหมถ้าก็ถามว่ามะพร้าวทั้งลำเนี่ยราคาเท่าไหร่